วันนี้เป็นวันเสาร์เป็นวันหยุดทำงานของศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทผู้มีความศรัทธาความเชื่อมีความเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สรงพระคุณอันประเสริฐได้ ตั้งใจมาวัดเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ภารกิจที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบหมายไว้ให้แก่พุทธบริษัทสไว้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงภารกิจหรือธุรกิจที่พระพุทธเจ้า ส่งมอบให้แก่พุทธบุยรัตว์ก็คือคันทะทุระกับวิปัสนาทุระนี่คือทุระสองประเภทด้วยกันที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้แก่พุทธบยุยรัตว์ผู้ปรารถนาความสุขความเจริญที่แท้จริง ผู้ปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติภารกิจหรือธุระกิจสองประการนี้คือหนึ่งคันถะธุระสองวิปัสนาธุระคันถะธุระแปลว่าการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า วิปัสนาธุระแปลว่าการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแบ่งเป็นสองภาคด้วยกันธุรกิจสองชนิดชนิดแรกคือการศึกษาชนิดที่สองคือการปฏิบัติทั้งสองชนิดนี้ก็สามารถกระทาไปได้พร้อมๆกันไม่ได้แยกกันออกเป็น อสองส่วนเป็นส่วนเดียวกันเป็นภารกิจเป็นธุรกิจที่จะต้องทำไปพร้อมๆกันถึงจะถึงจะเกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุดแต่ในสมัยปัจจุบันนี้ชาวพุธเร า, าไม่เข้าใจหลักของคันธธุระกับวิปัสสนาธุระว่า ต้องไปด้วยกันกลับไปแยกออกเป็นสองส่วนแยกเป็นการศึกษาส่วนหนึ่งแยกเป็นการปฏิบัติส่วนหนึ่งจึงทำให้มักจะไม่เกิดผลสำเร็จขึ้นมาเพราะว่าเวลาศึกษาก็ศึกษาเพียงอย่างเดียวศึกษาไปเป็นเวลาหลายปีด้วยกัน พอศึกษาจบแล้วก็ไม่มีความสามารถหรือไม่มีกำลังที่จะไปปฏิบัติได้เพราะหมดเวลาหมดกำลังไปกับการศึกษาอย่างการศึกษาของของพระภิกษุสงฆ์ในปัจจุบันนี้ ถ้าได้ศึกษานักธรรมตีนักธรรมโทนักธรรมเอกปีละขั้นก็สามปีเสร็จแล้วก็ให้ไปศึกษาบาลีอีกเก้าปีปีเรียนหนึ่งถึงปีเรียนเก้าแต่ในระหว่างศึกษานี้ก็ไม่ได้ให้ปฏิบัติแต่ให้ไปทำภารกิจของสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนให้ปฏิบัติ ไม่ได้มากหมายให้ปฏิบัติก็คือภารกิจของบุญบางสังส่วนคือไปทำภารกิจให้แก่าาศรัทธาญาติโยมแถวบ้านไปกิจนิมนต์ต่างๆเพื่อไปรับสังฆทานเพื่อไปสวดมนต์ขึ้นบ้านใหม่เพื่อไปทำบางสกุลในงานศพเพื่อไปสวด ให้พรสวดให้อะไรต่างๆเลยคิดว่านี้เป็นภารกิจของสงไปคือบุญบางสังส่วนแต่ภารกิจในวิปัสสนาธุระกลับไม่ได้ปฏิบัติกันก็คือการเจริญศีลสมาธิปัญญาการปฏิบัติธุดงควัรการปฏิบัติกรรมฐาน เหล่านี้เป็นธุรกิจของของวิปัสสนาธุระก็เลยคิดว่าได้ทาภารกิจสองส่วนแล้วคือได้ศึกษาได้ศึกษานักธรรมตีโทเอกได้ศึกษาประเรียนแล้วก็ได้ปฏิบัติภารกิจคือบุญบางสังส่วนงานบุญต่างๆ อย่างนี้เห็นไหมในใน c e b o o k นี้มีประกาศกันอยู่ทุกวันบุญวันเกิดบุญวันตายบุญครบรอบบุญสร้างเจดีบุญสร้างโบสถ์แห่กันไปกันแม้เะนนั้นก็มีงานสังฆทานถวายสังฆทานบุญแม้เช่นนั้นก็ไปบังสกุลบุญบัง สังกสังฆทานสวดก็สวดข้ามปีบ้างสวดเพื่อความเป็นสิริมงคลในวาระต่างๆเลยกลายเป็นคันทะกลายเป็นวิปัสสนาธุระขึ้นมาตัววิปัสสนาธุระจริงๆที่พระองค์พระพุทธเจ้าทรงต้องการให้ปฏิบัติ ก็เลยไม่ค่อยได้ปฏิบัติกันมีบ้างก็เป็นส่วนน้อยมีพวกที่ปฏิบัติได้ตามหลักธรรมคำสอนก็ต้องอาศัยมีครูบาอาจารย์ที่รู้หลักของการปฏิบัติคันธะทุระและวิปัสสนาทุระก็คือกุภะที่อยู่ในปานใ่าในเขากัน ศึกษากับครูบาอาจารย์แล้วก็ปฏิบัติกับครูอาจารย์ไปไม่ได้ออกมาเกี่ยวข้องกับภารกิจของศาสนาของของของพุทธบริษัทในปัจจุบันคือทําแต่เรื่องบุญบังสังส่วนกันศึกษาก็ศึกษาแล้วก็ไปสอบกัน ถ้าสอบแล้วได้ก็ถือว่าได้แล้วพอสอบเสร็จก็ลืมกันเพราะว่าเป็นการเพียงสอบความจำเท่านั้นเองไม่ได้สอบความสามารถความสามารถนี้ไม่มีใครมาสอบได้นอกจากผู้ปฏิบัติเองจะต้องเป็นผู้สอบเองว่าตนเองมีคุณธรรมต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งสอนให้ปฏิบัติสร้างขึ้นมาหรือไม่ดีก็คือภาพของศาสนาของเราในยุคปัจจุบันเราไปแยกคันธะธุระออกจากวิปัสนาธุระแล้วก็ไปเอาธุระที่ไม่ใช่เป็นวิปัสนาธุระ มาเป็นวิปัสนาธุระคือเอาเรื่องของบุญบางสังสว่วนมาเป็นวิปัสนาธุระผลคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆจึงไม่ปรากฏขึ้นมาบัตรุธรรมขั้นต่างๆจึงไม่ปรากฏขึ้นมาแต่ถ้าไปปฏิบัติ ตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ส่งสอนให้บำเพ็ญให้ปฏิบัติคือให้ไปปลีกวิเวกอยู่ในปานใ่าในเขาอยู่กับครูบาอาจารย์ที่คอยสอนคอยบอกวิธีปฏิบัติคันถาธุระบอกวิธีปฏิบัติวิปัสนาธุระการอยู่กับครูบาอาจารย์ได้ยินได้ฟังคำสั่งคำสอนของครูบาอาจารย์ และปฏิบัติไปตามพร้อมๆกั น, นก็จะปรากฏมีผลขึ้นมาตามลำดับพระที่ปฏิบัติคันธุระและวิปัสสนาธุระนี่มักจะบรรลุมากผลนิผ่านกันครูถ้าเราศึกษาประวัติของครูบาอาจารย์ต่างๆที่เราเคารพนับถือที่เรา รู้หรือทราบว่าท่านได้บรรลุมรรคผลนิพพานท่านมักจะปฏิบัติกัรท่าทุระและวิปัสสนาทุระไปพร้อมๆกันท่านจะไม่ได้ไปเรียนปริยัติธรรมไปเรียนบาลีท่านเรียนจากครูบาอาจารย์เหมือนสมัยพระพุทธการก็ไม่มีหลักทำนักทมตีนักธรมโทนักทมเอก ไม่มีการเรียนบาลีะเรีนหนึ่งถึงบาลีเก้ามีแต่ศึกษากับครูบาอาจารย์อยู่กับครูบาอาจารย์และปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์คอยสั่งคอยสอนให้ปฏิบัติในแต่ละวันนี่คือในสมัยพุทธกาลนี้ท่านไม่มีแยกคันธ ท, ทุระออกจากวิปัสสนาทุระ และท่านไม่มีการเรียนเพื่อให้ได้ใบประกาศสนียบัติเรียนจบนักธรรมตีก็ได้ใบประกาศหนึ่งใบนักธรรมโทก็ได้หนึ่งใบสมัยก่อนนั้นท่านไม่ได้ไม่ได้เรียนเพื่อเอาใบประกาศสนียบัติท่านเรียนเพื่อที่จะเอาไปปฏิบัตินี่คือความแตกต่างสมัยนี้เรียนเพื่อเอาใบประกาศ เมื่อได้ประกาศที่ว่าจะได้ไปขอยศได้ไปขอราบสักการะได้ไปขอตํตำแหน่งอะไรต่างๆได้เดี๋ยวนี้จะเป็นเจ้าอาวาสต้องมีมีคุณสมบัติจะต้องจบนักธรรมตีโทเอกเป็นต้นจะเป็นผู้บริหารของสงฆ์จะต้องมีใบประกาศกันอยากจะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคเจ้าอะไรต่างๆนี้เขาต้องถามก่อนว่ามีใบประกาศนียบัตนนักธรรมตีโทเอกหรือเปล่าอยากจะเป็นพระอุปัชฌาย์ก็ต้องมีมีหลักมีใบประกาศนักธรรมตีโทเอก ถ้าไม่มีก็เป็นไม่ได้การศึกษาเลยกลายเป็นศึกษาแบบทางโลกไปศึกษาเพื่อลาบสักการะกันศึกษาเพื่อยศกันศึกษาเพื่อตำแหน่งกันเลยไม่ได้มีมรรคผลนผิพพานปรากฏขึ้นมาเลยเคยเห็นพระที่ได้ประรียนิสงสูงนี้ บรรลุมรคนี่ผ่านบ้างไหมกระดูกได้กลายเป็นพระาธาตุกันบ้างไหมส่วนใหญ่กระดูกของพระที่เป็นพระธาตุนี้มักจะเป็นหลวงปู่หลวงตาที่ไม่ไม่รู้ภาษีภาษาบางทีหนังสือยังอ่านไม่ออกเลยก็มีบางองค์บางท่านท่านไม่ได้เรียนเพื่อที่จะเอามา รับลาบสักการะต่างๆท่านเรียนเพื่อที่จะเอาไปปฏิบัติเอาไปฆ่ากิเลสตัณหาตัวมักใหญ่ไฟสูงตัวที่โลภที่อยากได้ลาบสักการะต่างๆท่านถึงได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันกะดูของท่านหลังจากที่ตายไปแล้วได้กลายเป็นพระาธาตุกันขึ้นมา ่วนใหญ่จะเป็นครูบาอาจารย์ที่อยู่ตามป่าตามเขานับตั้งแต่องค์แรกในสมัยปัจจุบันก็คือหลวงปูมงป่มั่นนหลวงปู่มั่นนี่ท่านก็ไปปีกวิเวกอยู่ในป่าในเขาในเชียงใหม่พอท่านบรรลุแล้วก็มีผู้นิมนต์ให้ท่านได้มาปล่อยสอน ภิกษุสา ม, มเณรศัทธายาโยมท่านก็ไปอยู่ตามป่าตามเขาในจังหวัดสกลนครอุดรธานีมีพระสงฆ์ไปศึกษาไปปฏิบัติและได้บรรลุธรรมกับท่านเป็นจำนวนมากการศึกษาไม่มีการแจ ก, กใบประกาศนียบัติไม่มีการไปสอบในห้องเรียนแต่สอบด้วยการปฏิบัติ ว่าศึกษามาแล้วปฏิบัติตามที่ได้ศึกษามาถูกต้องหรือไม่ให้รักษาธุดงคาวัดรักษากันหรือไม่ธุดงคาวัดนี้มีอะไรบ้างเช่นเป็นธบัเป็นวัดเป็นธบัดกันเป็นประจําหรือไม่หรือสมัยนี้ใช้มือถือโทรสั่งอาหารกันวันไหนขี้เกียจตื่นเช้าก็ตื่นสายนอนตื่นสาย แล้วก็สั่งอาหารมีราบส ก, การะที่ได้จากการไปทำภารกิจบุญบางสังสว่วน mm hmm. ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องบินทบาทกัน mm hmm. หรือบางท่านบางองค์มีศรัทธาญาติโยมประวารณาตัวส่งอาหารให้ถึงวัดเลย mm hmm. ก็เลยไม่ต้องออกบินทบาทท mm hmm. ุดงขวัดที่พุทธเจ้าทรง สอนให้ปฏิบัติก็เลยไม่ได้ปฏิบัติกันให้เบญทบาทเพื่อฆ่ากิเลสคือความเกียรติ้านฆ่ากิเลสที่จูจี้จุกจิกกับการรับประทานอาหารต้องรับประทานอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ถ้าไปเบญทบาทก็จะได้อาหารตามมีตามเกิดอาจจะได้อาหารที่ถูกปากบ้างอาจจะไม่ถูกปากบ้าง แต่นี่เป็นวิถีชีวิตของนักบวช ท, ที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติตั้งแต่วันแรกของการบวชเลยวันแรกนี้พอบวชเสร็จนี้จะมีสอนภารกิจ8ข้อด้วยกันภารกิจที่พระภิกษุพึงกะระทำสี่ข้อและภารกิจที่ภิกษุไม่พึงกะระทำอยู่4ข้อภารกิจที่พึงกะระทำก็คือหนึ่งเบญทบาทเป็นวัด ให้มีความภาคเพียนพยายามหาอาหารมาด้วยลำแข้งของตนลาบเหลือเฟือพระองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดบินทบาตจะไม่มีวันอดอตายเพราะว่าเป็นการพึ่งตนเองเป็นการสร้างความเพียนเป็นการกำจัดกิเลสเป็นการสร้างธรรมคือความมักน้อยสันโดษ ให้เป็นเครื่องมือที่จะมาคอยกำจัดกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆอันนี้ข้อที่หนึ่งคือให้บบญทบาทเป็นวัดข้อที่สองให้อยู่โคนไม้ให้อยู่ตามป่าตามเขาอยู่แ ท, ท้ที่มีต้นไม้ก็คือในป่าในเขาไม่ต้องมีกุติก็ได้ทากระตอบเล็กๆอยู่ตามโคนไม้ก็ได้ ทำที่เพิงหลบแดดหลบฝนได้ในป่าในเขานี้มีประโยชน์ต่อการบาเพ็ญ<ม>วิปัสสนาธุระ<ม>กับคันธะธุระ<ม>วัดสมัยก่อนจึงเป็นวัดป่ากันครูบาอาจารย์ก็อยู่ในป่าลูกศิษย์ลูกหาที่อยากจะปฏิบัติอยากจะศึกษากับครูบาอาจารย์ก็ไปอยู่ในวัดป่ากับครูบาอาจารย์ อยู่ที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงไม่เหมือนสมัยนี้วัดอยู่ใจกลางเมืองเลยอยู่รอบๆด้วยเรื่องกามคุณทั้งห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสผฏทพระที่มาคอยอกดดันมาคอยสร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจไม่ได้เป็นเครื่องเสริมในการกำจัดความทุกข์ ไม่ได้เป็นการเสริมในการกำจัดกิเลสตัณหาต่างๆที่มีอยู่ภายในใจพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าให้ไปอยู่ป่ากันอยู่ตามโคนไม้กันข้อที่สามให้ถือผ้าบังสกุลสมัยโบราณสมัยพุทธกาลนี้ไม่มีการถวายผ้าเหมือนสมัยนี้ผ้าบวชแล้วผ้าต้องไปหาผ้าที่ทิ้งไว้ในป่าชา้า เรียกว่าผ้าบางสกุลสมัยโบราณเวลาคนตายจะไม่ได้เผาจะไม่ได้ฝังจะเอาผ้าหอ่อศพแล้วก็เอาไปทิ้งศพไว้ในป่าชาหลังจากศพเน่าเปื่อยย่อยสลายไปแล้วผ้ายังใช้ได้อยู่พระที่บวชก็จะไปเก็บผ้าเหล่านี้มาซักมาย้อมมาตัดมาเย็บเป็นจีวร น, นุ่งหม่มต่อไป ให้อยู่แบบง่ายๆให้อยู่แบบขอทานไม่ให้ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมกับเสื้อผ้าผรรอย่างเพศของขารว่าสมัยเป็นขาว่านี้ต้องซื้อเสื้อผ้าดีๆเสื้อเก่าไม่เอาเสื้อขาดไม่เอาต้องเอาเสื้อราคาดีๆเนื้อเนื้อผ้าดีๆเป็นผ้าแพรผ้าไหมแต่ผ้าห่อศพนี้จะเป็นผ้าดิบเป็นส่วนใหญ่ นี่คือสอนให้รู้จักความมากน้อยสันโดษของนักบวชอยู่ตามมีตามเกิดใช้ผ้าบางสกุลเป็นวัดแล้วข้อที่สี่ก็ใช้น้ำยาดองน้ำมูดน้ำปัสสาวะนี้ดองพวกสม อ, มองดองพวกอะไรก็สามารถเอามาดื่มเป็นยานรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ พอสมัยก่อนก็ไม่มีโรงพยาบาลไม่มีร้านขายยาก็ต้องอาศัยพึ่งตนเองด้วยการผลิตยาขึ้นมาเองด้วยการใช้น้ำปัสสาวะนี้ดองผลไม้ชนิดต่างๆแล้วก็เอามาดื่มเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็พอที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บไปได้ ถ้ารักษาไม่ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของร่างกายเพราะร่างกายของทุกคนก็มีโรคเหมือนกันสามชนิดด้วยกันโรคชนิดที่หนึ่งก็คือเมื่อเป็นแล้วพอรักษาเมื่อเป็นแล้วแล้วมันก็จะหายเองไม่ต้องรักษาก็ได้เช่นไข้หวัดหรือวาการปวดท้องปวดศรีรษะบางทีเป็นขึ้นมาแล้วอยู่สักพักหนึ่งมันก็หายไปเอง โรคชนิดที่สองเป็นแล้วต้องรักษาถึงจะหายต้องหายามารับประทานโรคที่สามเมื่อเป็นแล้วรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายก็ต้องอยู่กับมันไปจนกว่ามันจะตายเลยไม่ค่อยกังวลเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเท่าไหร่สำหรับนักบวชสำหรับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงสอนให้นักบวชนี่ ใช้ยาดองน้ำมูดน่าดื่มรักษาโรคภัยไข้เจ็บแต่สมัยนี้โลกได้พัฒนาไปมีโรงพยาบาลมียามีหม อ, อก็ให้ถือหลักมากน้อยสันโดษถ้ามีญาติโยมเมตตาจะพาไปรักษาก็ไปถ้ามีญาติโยมมีความเมตตาจะถวายยามาก็รับ ก็ให้ถือหลักของความมากน้อยสันโดษไม่ให้ไปโลภอยากได้ยาชนิดนั้นอยาชนิดนี้ไปรักษาพยาบาลตามโรงพยาบาลชนิดนั้นชนิดนี้ให้ยินดีตามมีตามเกิดไปนนี้คือภารกิจที่พระพืะ่นการทำคือความมากน้อยสันโดษในปัจจัยสี่มากน้อยในอาหารด้วยการบินทบาท มักน้อยในที่อยู่อาศัยด้วยการอยู่ตามโคนไม้มักน้อยด้วยเสื้อผ้าอภรรด้วยการไปเก็บเศษผ้าเส้นผ้าหอ่อศพที่เรียกว่าผ้าบางสกุลแล้วก็มักน้อยในเรื่องของยารักษาโรคภัยไข้เจ็บหามันไปตามตา ม, ตามีตามเกิดยินดีตามมีตามเกิดแล้วจิตใจจะไม่วุ่นวายนั่นเองถ้าไม่มักน้อยสันโดษ คอยวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยสีจะไม่มีเวลามาฆ่ากิเลสได้จะไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติธรรมได้เพราะจะมัแต่คอยกังวลเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยสีที่จะมาคอยเลี้ยงดูรักษาร่างกายร่างกายนี้ดูลายรงไงรักษาอย่างไรมันก็ไม่มีวันหายอนี้คือภารกิจสี่ประการที่พระพุทธเจ้าทรงสอน พระที่บวชใหม่และกรรมชั้กรรมชาให้พระอุปชาทุกรูปสอนภารกิจที่พึงกระทําทั้งสี่ข้อนี้ก็มีอยู่ข้อสําคัญที่พูดถึงนี้ก็คือข้อเบญทบาตทพระพุทธเจ้านี้ทรงเป็นผู้ทําตัวอย่างในเรื่องของเกี่ยนเบญทบาตทถึงแม้จะตัดสิรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วมีผู้มีจิตศรัทธาน้อมอาหารข้าวหวาน มากมายพระองค์ก็ยังทรงออกบินธะบาตรอยู่ทรงเสวยว่าเป็นตัวอย่างสำหรับพระที่มาบวชที่หลังให้ยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติพระพุทธเจ้าสอนเรื่องการบินฑะบาตนี้อยู่หลายที่ด้วยกันในที่หนึ่งก็คือสอนให้กับพระผู้มาบวชใหม่อีกที่หนึ่งก็ทรงสอนไว้ในทูดงควัตสิบสามข้อ หนึ่งในทุดงควัต13ามข้อก็มีข้อวินทาบาดเป็นวัดเนเพราะทรงเห็นว่ามันเป็นอาวุธที่สำคัญในการฆ่ากิเลสตัณหาที่จะมาคอยสร้างความทุกข์ที่จะมาคอยดึงจิตให้ไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆองค์ก็เลยทรงสอนไว้ในในทูดงสิบสามข้อด้วยแล้วก็ทรง ทำเป็นตัวอย่างในพุทธกิจห้พุทธกิจ5ก็คือภารกิจที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญอยู่ทุกวันมีอยู่หข้อด้วยกันหนึ่งในห้าข้อนั้นก็คือการบิณฑบาตโปรดสัตว์นีพระพุทธเจ้าทรงเน้นความสำคัญเรื่องของการบิณฑบาตของของพระให้ปฏิบัติไปจนวันตาย หรือจนกว่าร่างกายจะไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างหลวงปู่มั่นตอนตอนที่กนตอนที่ท่านใกล้จะสิ้นอายุนี่สิ้นชีวิตท่านก็เริ่มบินฑบาตไม่ไหวท่านก็เลยย่นระยะทางเคยเดินเข้าไปในหมู่บ้านท่านก็เดินไปแค่ครึ่งทางชาวบ้านก็เดินจากหมู่บ้านออกมาครึ่งทางมาดักสายบาทต่อมา ร่างกายก็หมดกำลังไปกลางครึ่งทางไม่ไหวก็บินทบาทที่หน้าวัดนี่าไม่ยอมหยุดบินทบาทตราบใดที่ท่านยังฉันอยู่ท่านยังเดินได้อยู่ท่านก็บินทบาทต่อไปแลพอบินทบาทที่หน้าวัดไม่ไหวก็บินทบาทที่บนศาลานี่นี่คือการปฏิบัติของครูบาอาจารย์ที่เป็นทั้งการสอนเป็นทั้งการกระทำ ที่เป็นตัวอย่างให้ผู้ที่มาบวชที่หลังจะได้เห็นความสำคัญของการปฏิบัติข้อตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรียนเพื่อจดจำเอาไว้แล้วแต่ถึงเวลาปฏิบัตินี้ไม่ได้เอามาปฏิบัติเลย <S <S พวกที่เรียนจบนักธรรมขั้นต่างๆจะ ปารียนขั้นต่างๆนี้บางทีพอจบแล้วก็มีราบสักการะกันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบิณฑบาตอยากจะฉันอะไรก็สั่งให้ฤกษิตจัดหามาให้ได้หรือก็บางทีก็มีผู้มีจิตศรัทธาที่เห็นว่าเป็นผู้มีการศึกษาสูงก็มีศรัทธาเลื่อมใสที่จะคอยมาพรนิบัติ มาคอยจัดอาหารให้การบิณฑบาตก็เลยไม่ได้กระทำกันยกเว้นบางองค์อย่างสมเด็จพระยานสังวรทั่วสร้างวัดยานนี้ถึงแม้ท่านจะเรียนจบประเรียเก้าถึงแม้ท่านจะมีตำแหน่งต่างๆเป็นถึงสมเด็จเป็นถึงสังฆราชท่านก็ยังไม่ละทิ้งภารกิจของการบิณฑบาต ท, ท่านพยายามบิณฑบาต ถ้าท่านไม่ติดภารกิจอย่างอื่นคือกิจติดภารกิจการกิจนิมนต์ต่างๆถ้าวันไหนไม่มีภารกิจทางกิจนิมนต์ท่านก็จะออกบิณฑบาตมาอยู่วัดยา น, นี้ก็จะมาไปบิณฑบาตตามหมู่บ้านต่างๆรอบวัดยานเพื่อทําความรู้จักกับชาวบ้านทุกสายของวัดยา น, นี้ก็ สมเด็จพระาญาท่านเคยไปบิณฑบาต ท, ทุกสายสายบ้านอำเภอสายบางเฉลสายสั ต, ตหิทธ์ท่านไปหมดถึงแม้เป็นสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็ตามเพราะท่านก็มีความเคารพในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ส่งเน้นเรื่องของการบิณฑบาตนี้อันนี้คือพูดเปรียบเทียบระหว่างการ ศึกษาที่แยกออกจากการปฏิบัติกับการศึกษาที่ไม่ได้แยกออกจากการปฏิบัติศึกษาแล้วก็ปฏิบัติควบคู่กันไปแต่ถ้าแยกกันแล้วช่วงศึกษาก็ไม่ปฏิบัติเลยเอาแต่ศึกษาเอาแต่เจะเรียนอย่างเดียวแล้วก็ปฏิบัติก็ไ ป, ไปปฏิบัติภารกิจที่ไม่ใช่เป็นภารกิจที่พระพุทธเจ้าทรง สอนให้ปฏิบัติก็ไปทำภารกิจทางด้านงานบุญบางสังสวดกันไปงานบุญต่างๆไปรับบางสกุลไปรับสังฆทานไปสวดในงานต่างๆการกระทำเหล่านี้มันเลยไม่สอดคล้องกับแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้สงสอนให้กระทำกัน แนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนในคันถาทุระและวิปัสสนาทุระก็คือให้ศึกษาและปฏิบัติไปพร้อมๆกันศึกษาสี่ข้อแรกเนี่ยตั้งแต่วันบวชนี้ก็เริ่มสอนสี่ข้อแรกแล้วให้เินทบาทเป็นวัดให้ใช้ให้อยู่ตามโคนไม้ให้ใช้ผ้าบาังสกุลให้ใช้ยาดองน้ำมุดแล้ว ภารกิจที่ห้าไม่ให้กระทำก็มีอยู่สี่ข้อคือหนึ่งไม่ให้เสพเมทุนคือไม่ให้ร่วมหลับนอนกับกับสีกาไม่ให้ร่วมเพศกันไม่ให้ฆ่าไม่ให้ฆ่ามนุษย์ไม่ให้ลักทรัพย์และไม่ให้อุตริคุณธรรมอันวิเศษที่ไม่มีในตนถ้ากระทำสี่ข้อนี้ ถือว่าขาดจากการเป็นพระภิกษุทันทีจะต้องลาสิกขาไปอยู่ไปก็จะไม่ได้ไปถึงพระนิพพานได้อยู่ไปก็เสียข้าวสุกของชาวบ้านเปล่าๆถ้าทำถ้าทาถ้าทาผิดสี่ข้อนี้ก็ไม่สมควรที่จะอยู่เป็นพระภิกษุต่อไปเปยียบเดือกับต้นตาลที่ด้วนที่ ไม่มีวันที่มันจะงอกงามขึ้นมาได้ น, นี่คือการศึกษาตั้งแต่วันแรกก็มีการศึกษาแล้วแล้วนอกจากนั้นเวลาที่อยู่ในโบสถ์เวลาที่กำลังบวชก็มีการสอนกรรมฐานห้าแล้วสอนเกษาโลมาหน้าขาทันตาตะโจร ก, กรรมฐานคือมีไว้ทำไม กรรมฐานก็มีไว้เพื่อเจริญสติเพื่อเจริญวิปัสสนานั่นเองเจริญสติก็คือให้กำหนดรู้อาการยึดใดาอาการหนึ่งในห้าอาการเกษาโลมาหนาขาตาตะโจคือผมขนและฟันหนังให้จิตใจค อ, อ, อยศึกษาคอยคิดอยู่กับอาการทั้งห้านี้ไม่ให้ไปคิดถึง คนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้หยุดความคิดแบบที่เคยคิดในอดีตคิดที่จะหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้เพราะถ้าปล่อยให้คิดแล้วใจจะฟุ้งซ่านใจจะร้อนจะทำให้อยู่ในผ้าเหลืองลำบากนั่นเองเลยต้องสอนให้พิ จ, จนา ร่างกายด้วยการเริ่มต้นพิจารณาที่อาการห้าอาการที่อยู่ภายนอกก่อนคือเกสรโลมานาขาทันตาตาโจพิจารณาดูว่าร่างกายของคนเหล่านี้มีอะไรบ้างแยกออกมาเป็นส่วนๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังพอเห็นห้าอาการก็ให้ลองเข้าไปดูอาการอื่นๆที่มี อยู่ภายใต้ผิวหนังต่อไปหลังจากเห็นหนังแล้วก็ให้เข้าไปดูส่วนที่ติดอยู่กับหนังก็คือเนื้ออยู่ส่วนที่ติดอยู่กับเนื้อก็คือเอน็นส่วนที่ติดอยู่กับเอ็นก็คือกระดูกผมกนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแล้วก็ดูเข้าไปในกระดูกก็มีเยื่อในกระดูก แล้วก็นอกจากนั้นพอเข้าไปถึงกระดูกแล้วก็จะเห็นอวัยวะอื่นๆเห็นม้ามเห็นปอดเห็นหัวใจเห็นตับเห็นตลำไส้เห็นอะไรต่างๆแล้วก็เห็นน้ําชนิดต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายเช่นน้ําเลือดน้ําเหลืองน้ําดีน้ําเสลตะน้ําตาน้ํามันเหลวอน้ํามันน้ํามันข้นะ น้ำมูดน้ำอะไรต่างๆศึกษาเพื่อจะได้เห็นความจริงของร่างกายว่าน่าดูหรือไม่น่าดูกันนะเพื่อที่จะได้ควบคุมกำจัดการมารมณที่มักจะเกิดขึ้นถ้าไม่ได้ดูร่างกายแบบวิปัสสนาถ้าดูร่างกายแบบอวิชชา ถ้าดูร่างกายด้วยความหลงด้วยการขาดปัญญาด้วยการขาดสติขาดปัญญาก็จะเห็นว่าร่างกายนี้สวยงามก็จะเกิดการารมณ์เกิดความรักความค่าขึ้นมาก็จะทำให้อยู่คนเดียวไม่ได้อยู่แล้วจะรู้สึกเหงาว้าเวต้องมีคู่ต้องมีแฟนอยู่ด้วยเพราะเวลาได้อยู่กับ ร่างกายที่เราคิดว่าสวยว่างาม น, นี้จะให้ความสุขกับเราแต่พอได้คอยพิจารณาร่างกายอย่างสม่ำเสมอจนเห็นความเป็นจริงของร่างกายทั้ง32อาการก็จะหายหลงจะเลิกคิดว่ามันน่าดูน่าชงว่ามันสวยว่ามันงามเห็นทีารมันก็เห็นทะลุเข้าไปหมดทั่วสะพางกาย เห็นอวัยวะต่างๆที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเนื้ออวัยวะต่างๆที่อยู่ภายใต้ผิวหนังนี้ต้องอาศัยตาของปัญญาตาของปัญญาที่เกิดจากการศึกษาเกิดจากการหมั่นพิจารณาอยู่เนืองๆนั่นเองนี่แหละนี่แหละคือการปฏิบัติภารกิจที่เรียกว่าวิปัสสนาธุระ ได้รับการสั่งสอนตั้งแต่วันบวชแล้วไม่จําเป็นต้องไปเรียนนักธรรมตีโทเอกให้เสียเวลาเรียนแล้วก็ไม่ได้เอามาใช้เรียนไว้แล้วก็เพื่อเอาไปสอบเท่านั้นเองสอบแล้วพอสอบเสร็จก็ลืมไปหมดเพราะไม่ได้เอามาใช้ความจริงปริยัติธรรมหรือการตธุระนี่เขาสอนตั้งแต่วันบวชแล้วตั้งแต่ เริ่มหัดท่องจำว่าคำว่าเกษาโลมานักขาทันตาตาโจเนี่ยนี่เริ่มศึกษากรรมฐานแล้วศึกษาสมถภ า, าวนาวิปัสสนาภาวนาแล้วอันนี้ถ้านำเอาไปปฏิบัติมันก็จะก้าวหน้าจเจริญก้าวหน้าบวชไม่กี่ปีก็สามารถบรรลุธรรมได้แต่ถ้าเอามาแยกกันออกเป็น เป็นคันถะแล้วก็แยกออกจากวิปัสสนาไปไม่ทําควบคู่กันไปเรียนกันไปให้มันจบนักธรรมตีโทเอกเรียนทีละปีเพราะเขาสอบปีละครั้งนักธรรมตีก็สอบปีละครั้งนักธรรมโทก็สอบปีละครั้งสมปีก็ได้สามขั้นแล้วไปประเรียนอีก9ปีเก้สิบสองปีแต่เรียนนี่ไม่ได้เรียนเพื่อเอามาปฏิบัติเลย เรียนเพื่อเอามาสอบแต่นั้นเองเรียนเพื่อมาจดจำเอาไว้เพื่อสอบพอสอบเสร็จก็ไม่เรียนแล้วไม่จำแล้วแล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะไปปฏิบัติที่ไหนพอรู้แต่ปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องภารกิจที่ปฏิบัติในระหว่างการเรียนก็คือบุญบังสังส่วนหรือภารกิจทางด้านบริหารไปใบรับตำแหน่งต่าง ไปเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสไปเป็นรองเจ้าอาวาสเป็นเจ้าอาวาสไปเป็นเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคแล้วก็ไปรับยศต่างๆเป็นพระครูบ้างเป็นพระเจ้าคุณบ้างเป็นชั้นต่างๆเลื่อนขั้นไปตามลําดับก็เลยหลงติดกับภารกิจเหล่านี้คิดว่าเป็นภารกิจของ ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้มาปฏิบัติกันทำไมไม่ลองศึกษาในสมัยพุทธกาลดูบ้างว่ามีภารกิจเหล่านี้อยู่ไหมมีการไปเป็นเจ้าอาวาสกันเป็นเจ้าคณะตาบลเจ้าคณะอะไรกันหรือไม่มีส ม, มาณัาฐ์กันหรือเปล่ามีพระครูมีเจ้าฟ้าเจ้าคุณมีสมเด็จมีสังฆราชกันหรือเปล่า แม้ <magic. S 2> แต่พระพุทธเจ้าเองยังไม่ได้เป็นพระสังฆราชเลยพระพุทธเจ้าก็เป็นตถาคตเท่านั้นเองเป็นศาสดาเป็นครูเป็นอาจารย์เท่านั้นเองไม่มียศไม่มีตำแหน่งไม่ได้เป็นสมเด็จไม่มีอะไรต่างๆไม่มีตำแหน่งอะไรต่างๆแม้แต่วัดของตอนเองยังไม่มีเลยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้ไม่มีวัดของตอนเองนะ พระพุทธเจ้านี้ชอบจ่าลึกไปจาลึกไปเรื่อยๆเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆเพราเป้าหมายของพระพุทธเจ้าคืออยู่ที่การเผยแผ่สั่งสอนพระธรรมให้แก่ปวงชนให้กว้างให้ไปได้อย่างกว้างใหญ่ไพศาลถ้าอยู่ที่เดียวมันก็จะไปไม่ได้ไกลพระองค์ก็เลยเปลี่ยนที่อยู่ไปเรื่อยๆอยู่ที่วัดนี้อยู่สามเดือนแล้วก็ย้ายไปอยู่อีกที่นึง บางทีก็มีวัดบางทีก็ไม่มีวัดอยู่ก็อยู่ตามประสาตามมีตามเกิดไปไม่ได้ทรงกังวลเกี่ยวกับเรื่องอปัจจัยสี่พอให้อยู่ได้ก็พอพอให้ทําภารกิจของพระองค์ที่มีอยู่ห้าข้อได้ก็พอใจพุทธกิจห้าของพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้างก็ตอนเช้าก็ออกบินทบาตโปรดสัตว์ตอนบ่าย ก็สอนให้สอนธรรมะให้แก่ศรัทธาญาติโยมตอนค่ำก็สอนธรรมะให้แก่ภิกษุสามเณรและและภิกษุณียามดึกก็สอนธรรมะให้แก่เทวดาและยามเช้าก่อนจะทรงออกบิณฑบาตก็ทรงเร่งญาณดูว่าควรจะไปสอนธรรมะให้กับใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้น ที่พร้อมที่จะรับธรรมะและมีความและอาจจะมีความเรียกว่ามีความตายตามมาก็อาจจะมุ่งไปโปรดกนนั้นก่อนเพื่อให้เขาได้รับธรรมะก่อนที่เขาจะจากไปนี่คือภารกิจที่พระพุทธเจ้าทรงกะระทำไม่ได้ทำอะไรเพื่อพระองค์เองเลย เพราะว่าหลังจากที่พระองค์ได้ตัดสรตวเป็นพระอหรหันต์ตถาสมมาสามพุทธเจ้าแล้วพระองค์ได้ทรงรับรางวัลแล้วคือพระนิพพานรางวัลอันสูงสุดในโลกนี้ที่จิตใจจะสามารถไขว่คว้า ม, มาได้คือพระนิพพานเมื่อได้รางวัลอันสูงสุดนี้แล้วก็ไม่มีความอยากที่จะรับไปรับรางวัลหรือรับ ของอะไรจากใครต่อไปเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้ความสุขให้แก่จิตใจได้เท่ากับพระ น, นิพพานพระนิพพานนี้เป็นบร ม, มสุขนิบานังปรมังสุขขังเมื่อได้รับความสุขเต็มเปี่ยมในหัวใจแล้วก็จะไม่สามารถรับอะไรเพิ่มได้เหมือนน้าที่เต็มแก้วแล้วจ ะ, จะเติมน้ําเข้าไปอีก เท่าไหร่ก็จะได้เท่านั้นมันก็จะล้นออกมาจากแก้วหัวใจของพระพุทธเจ้าพอได้นิพพานแล้วก็ได้ความสุขเต็มเปี่ยมในภายหัวใจก็เลยไม่มีความอยากได้อะไรจากไข่แต่เนื่องจากทรงมีความเมตตาต่อสัตว์โลกอย่างพวกเรายังเห็นพวกเหล่านี้ยังทุกข์ยังวุ่นวายใจกันอยู่ไม่รู้จักจบจากสิ้นและทรง รู้ว่าถ้าเขาถ้าได้ศึกษาพระธรรมคาสอนแล้ได้ปฏิบัติตามแล้วก็จะสามารถที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้ให้ได้พระนิพพานมาเป็นสมบัติได้นี่คือเป้าหมายของการเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้เพื่อประโยชน์สุขของพระ อ, องค์เองพระพุทธเจ้านี้ได้ประโยชน์สุขอย่างเต็มร้อยแล้ว ไม่ต้องการประโยชน์สุขจากไข่และที่ทรงมีความวิริยะอุตสาหะในการเผยแผ่สั่งสอนพระธรรมให้แก่สัตว์โลกนั้ก็เพราะความเมตตานี้ความเมตตาความกรุณาที่เห็นสัตว์โลกทั้งหลายยังติดอยู่กับความทุกข์ต่างๆและจะมีโอกาสได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ถ้าได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสอน และน้อมนําเอาไปปฏิบัติพระองค์ก็เลยเพียรพยายามตั้งแต่วันแรกที่ทรงประกาศพระธรรมคาสอนในวันเพ็ญเดือนแปดสองเดือนหลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือนหกพระพุทธเจ้าก็ทรงประกาศพระธรรมคาสอนมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีด้วยกัน ทำให้ปรากฏมีพระอาหารหันตาสาวกขึ้นมาเป็นจำนวนมากมายแบบนับไม่ได้ไม่มีการเก็บสถิติไว้ที่ได้ที่รู้อยู่คร่าวๆก็คืออย่างน้อยก็มีหนึ่งพันสองรอห้าสิบรูปที่ได้ทรงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือนสามที่ผ่านมานี่คือในวันมาคะบูชามีพระอาหารหันต์จากสารทิตต่างๆ ได้เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมๆกันโดยไม่ได้นัดหมายกัน mm. และพระาหลานทั้งหมดนี้ก็เป็นพระที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้สอน mm. เป็นผู้บวชให้ mm. เป็นเอหิภิขุ mm. นี่เพียงแต่จำนวนพระที่รั บ, mm. ท, รบที่รู้ในระยะเวลา mm. เพียงเจ็ดเดือนที่ได้ทรงประกาศพระาศาสนาเท่านั้น แต่ระยะเวลาต่อมาก็มีผู้ได้บรรลุ ธ, ธรรมกันเยอะแยะถ้าเราศึกษาประวัติของภาษาวกต่างๆที่มาศึกษามาบวชมาปฏิบัติมาบรรลุ ธ, ธรรมก็มีตามกันมามากมายกลายกองถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าทรงเมตตาประกาศพระธรรมคาสอนจะไม่มีใครเป็นพระอาหารหันต์ได้ในโลกนี้ เขาไม่มีใครที่จะมีความสามารถสอนตนเองให้เป็นพระอรหัน์ได้มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถสอนตนเองให้เป็นพระอรหันต์สามมาสามพุทธเจ้าขึ้นมาได้พวกที่มาเป็นพระอรหรันต์ตีหลังนี้ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาสอนก่อนมาประกาศพระธรรมคําสอนถึงจะเป็นพระอรหันได้พระอรหันจึงแบ่งเป็นสองพวกด้วยกัน พวกแรกคือพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันด้วยตนเองสอนตนเองศึกษาด้วยตนเองพวกที่สองเรียกว่าพระอาหารหันตสาวกสาวกก็คือผู้ศึกษาผู้ฟังคําสอนจากครูบาจารย์นั่นเองพอมีพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพอมีการปร ะ, าประกาศประทามคําสอนแล้ว ก็จะมีพระอาหารหันตสาวกปรากฏขึ้นมากันตามลำดับเป็นจำนวนมากมายจนถึงยุคปัจจุบันนี้ก็ยังมีพระอาหารหันตสาวกปรากฏขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ <Yeah. S 1> เพียงแต่ว่าสมัยนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนเท่านั้นแต่ก็มีตัวแทนของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกตัวแทนของพระพุทธเจ้าก็คือพระพระไตรปิฎกนี้เอง พระไตรปิฎกนี้เป็นที่บรรจุคําสอนต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ตลอดระยะเวลา45ปีด้วยกันมีการจดจําและมีการถ่ายทอดกันมาทุกยุคทุกสมัยจนในถึงปัจจุบันได้มีการบันทึกเอาไว้เป็นหนังสืออยู่ในพระไตรปิฎกเรียกว่าพระไตรปิฎกถ้าไม่มีพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าอยากจะมีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาก็ให้ไปศึกษาจากพระไตรปิฎกเพราะพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงตัดไว้ชอบนี้แล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาของพวกเราต่อไปพวกเราจะไม่อยู่ปัสฌากศาสดาไม่มีร่างกายของพระพุทธเจ้าแต่ยังมีคาสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ศึกษาจากพระไตรปิฎกก็ได้ หรือจะศึกษาจากพระอาหารหันตสาวกก็ได้ถ้ามีโอกาสได้พบกับพระอาหารหันตสาวกออก็ศึกษาจากพระอาหารหันตสาวกเลยก็ได้เหมือนกันได้สองแหล่งจึงมีการมีการบรรลุธรรมบรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันมาอย่างต่อเนื่องออออตราบใดที่มีการศึกษาจากพระธรรมคำสอนมีการปฏิบัตออิไม่ว่าจากพระไตรปิฎก เนื่องจากพระอาหารหันตสาวกแบบนั้นศาสนาก็ยังจะมีพระอาหารหันต์มาปรากฏขึ้นมาอยู่เรื่อยๆพระอาหารหันต์นี้ไม่ได้ถูกพระพุทธเจ้าเอาไปด้วยพระพุทธเจ้าเอาแต่พระนิพพานไปสําหรับพระองค์เองแต่การมีพระอาหารหันต์ปรากฏขึ้นอยู่ในโลกนี้ยังสามารถมีต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องมีพระพุทธเจ้ามา เป็นคนสั่งสอนเพียงพระองค์เดียวเดีย๋ยวนี้มีพระธรรมคําสอนในพระไตรปิฎกเป็นศาสดาและมีพระอาจานตาสาวกเป็นอาจารย์คอยสอนอยู่อย่างยุคปัจจุบันเท่าที่เราได้ศึกษากันก็เริ่มมาตั้งแต่สมัยของหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มัน่นเนยพอท่านบรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้ว ท่านก็ผลิตลูกศิษย์ให้เป็นพระอาหารหันต์กันขึ้นมาเป็นจํานวนมากครูบาอาจารย์ต่างๆที่เราไปกราบไหว้กันที่เรารู้ว่ากระดูกของท่านได้กลายเป็นประธานนี้ก็ล้นได้ศึกษาจากหลวงปู่มั่นหลวงสุหลวงปู่สาวนี่องแล้วต่อมาก็มีลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์อีกลูกศิษย์ของลูกศิษย์หลวงปู่มัน่นที่ไปศึกษาและปฏิบัติแล้วก็ได้บรรลุธรรมกันนี่เกิด การกระทำการปฏิบัติตามคำสั่งคสอนของพระพุทธเจ้านี่ต้องปฏิบัติควบคู่กันไปคือภารกิจสองประการคันธะธุระกับวิปัสสนาธุระนี้ต้องไปควบคู่กันไปไม่ได้แยกกันออกเป็นอสองภาคเพราะถ้าแยกอย่างนั้นแล้วมันจะไม่เกิดผลนั่นเองพอเรียนจบแล้วก็ไม่มีกําลังที่จะปฏิบัติได้ พอถูกภารกิจทางด้านคการทุรลหดึงไปหมดเพราะเกิด ภ, ภ, ภ, ภารกิจทางด้านการาการสั่งสอนบางองค์เรียนจบแล้วก็กลายเป็นอาจารย์ไปเลยแต่เป็นปอาจารย์ทางปริยัติธรรมไปบางองค์ก็ไปติดภารกิจกับการบริหารศาสนาไปติดภารกิจกับการกินนิมนต์ต่างๆ เลยไม่มีกําลังไม่มีเวลาที่จะแยกออกไป ป, ปฏิบัติวิปั ส, สนาธุระได้อย่างนั้นเพื่อความปลอดภัยสําหรับผู้ที่ต้องการที่จะปฏิบัติภารกิจของศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงมอบไว้ให้นั้นพอเริ่มศึกษาปั๊บต้องปฏิบัติไปพร้อมกันเลยสําหรับคารวาะญาติโยมพระพุทธเจ้าก็สอนให้ปฏิบัติทานศีลภาวนา ก็พอรู้แล้วว่าต้องทาทานต้องรักษาศีลต้องภาวนาก็ทำไปเลยไม่ใช่ขอข อ, ขอรอไว้ก่อนขอเรียนอย่างเดียวก่อนเรียนเรื่องทานศีลภาวนาก่อนให้ครบทุกอย่างแล้วค่อยมาปฏิบัติไม่จาเป็นจะต้องรู้ลึกให้รู้เพียงแต่จุดเริ่มต้นเท่านั้นว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรทานทานก็ให้มีการแบ่งปันนั่นเองมีข้าวของเงินทอง ที่เราไม่ต้องใช้กับสิ่งที่จำเป็นคือปัจจัยสี่ก็อย่าเอาไปใช้กับกิเลสตัณหาเพราะกิเลสตัณหานี้เป็นตัวสร้างความทุกข์เป็นตัวที่จะทำให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆใช้เงินตามความอยากตามความโลภนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจไม่ใช่เป็นการทำลายความทุกข์ให้กับใจ ส่วนใหญ่ญาติโยมผู้คลองเรือนพอมีเงินทองเหลือจากการใช้กับปัจจัยสี่ก็มักจะใช้ไปกับกิเลสตัณหาเห็นอะไรสวยๆงามๆก็อยากได้เห็นอะไรชอบก็อยากซือ้อยากจะไปที่นู่นที่นี่ก็ใช้เงินพาไปอันนี้เป็นการใช้เงินตามความอยากที่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจไม่ได้เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจ พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าใหเา้เอาเงินทองที่จะไปใช้กับความอยากนี้เอาไปทําบุญเอออเาไปทําบุญทําทานแล้วจะเกิดประโยชน์กับจิตใจก็จะทําให้จิตใจมีความร่มเย็นเป็นสุขความโลภความอยากจะลดน้อยลงความอิ่มความพอจะปรากฏขึ้นมามากขึ้นต่อไปจะไม่มีความรู้สึกอยากจะใช้เงินซื้อของตามความอยากต่างๆ เพราะได้ถูกกำจัดด้วยการเอาเงินที่จะไปใช้นี้ไปใช้กับการทำบุญทำทานแทนถตาเอาไปใช้กับความอยากมันจะอยากไปเรื่อยซื้อของวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากจะซื้ออีกถ้ามีเงินเหลือเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากจะไปซื้ออีกพอเงินหมดก็ต้องไปห า, หาเงินกันใหม่พาได้เงินมาใหม่ก็จะมาซื้ออีกมันก็จะไม่มีเวลาไป ภาวนากันไม่มีเวลาไปปฏิบัติศีลภาวนากันจะมาจะมาติดอยู่กับการหาเงินใช้เงินวิธีที่จะหลุดออกจากวงจรนี้ก็คือต้องหยุดการใช้เงินตามความอยากตา่ตางๆเวลามีเงินแล้วอยากจะเอาไปเที่ยวอยากเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยของหรูหราให้เอาเงินนั้นไปทําบุญทําให้มันหมดทุกครั้งที่เกิดความอยาก แล้วมีเงินอย่าทำตามความอยากก็เอาเงินนั้นไปทําบุญต่อไปความอยากนั้นมันก็บทฤทธิ์เพราะไม่ได้รับการสนับสนุนนั่นเองความอยากต่างๆถ้าเราไม่ไปทําตามมันเดี๋ยวมันก็หยุดมันก็จะหายไปถ้าเราไปทําตามมันมันก็จะกลับมาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะแรงกว่าเก่ามากกว่าเก่านี่คือการ ตัดวงจรอุบาทที่จะทำให้เราติดอยู่กับการหาเงินใช้เงินพอเราไม่ต้องใช้เงินทองกับความอยากเราก็ไม่ต้องทำงานมากไม่ต้องหาเงินมากหามาแค่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอแล้วเราก็จะได้มีเงินมีเวลาที่จะไปรักษาศีลไปภาวนาได้นี่คือเรื่องของการปฏิบัติเริ่มทาทานกันแล้วตอนนี้ สังเกตดูถานตัวเองทุกครั้งเวลาฟักรกระเป๋าเงินนี่ซื้อเพื่ออะไรซื้อเพื่อกิเลสหรือซื้อเพื่อธร ร, รมะถ้าซื้อเพื่อกิเลสก็เอาไปซื้อเพื่อธรรมะเอาไปทำบุญทำที่ไหนก็ได้ทำกับใครก็ได้นะไม่อยากจะทำกับวัดไปทำกับโรงพยาบาลก็ได้ทำกับโรงเรียนก็ได้ทำกับคนในบ้านก็ได้ให้ใครก็ได้ให้พ่อก็ได้ให้แม่ก็ได้อย่าให้กับกิเลสก็แล้วกัน อย่าเอาไปใช้กับกิเลสกิเลสอยากได้ของสวยๆ ง, งามๆอยากจะได้ของหรูหราอยากจะได้ของฟุ่งเฟยอยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อย่าไปอย่าไปเลี้ยงมันยิ่งเลี้ยงมันยิ่งจะมาบีบคั้นเราให้เราเลี้ยงมันมากขึ้นอยู่เรื่อยๆเพราะตัวมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันจะกินมากขึ้นไปเรื่อยๆมีเงินเท่าไหร่ก็จะเลี้ยงกิเลสไม่พอ เราต้องอย่าไปเลี้ยงมันมันจะได้หดตัวลงมันจะได้ตายลงไปในที่สุดทุกครั้งที่อยากจะเอาเงินไปใช้กับกิเลสตัณหาก็เอาไปทำบุญแล้วมันจะทาให้ใจเราสุขใจเราอิ่มขึ้นมาจะทำให้ความหิวความอยากกิเลสตัณหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินทองนี้มันลดน้อยถอยลงไปแล้วหายไปในที่สุดต่ อ, อไปเราก็จะไม่ต้องดิ้นรนหาเงินหาทองมาให้เหนื่อยยาก เราก็จะมีเวลาเหลือที่จะได้ไปรักษาศีลต่อไปรักษาแล้วก็ได้ภาวนาต่อไปเพราะก่อนที่จะไปภาวนาได้ก็ต้องรักษาศีลให้ได้บอยสุดก่อนศีลห้าก่อนศีลห้าได้แล้วก็ศีลแปดพอศีลแปดทีนี้ก็จะได้มีกำลังที่จะได้ไปภาวนาได้ไปฝึกสติก่อนไ ป, ไปปีกวิเวกไปเจริญ สมัตภาวนาก่อนจจริญสติก่อนทําใจให้สงบก่อนการจะทําใจให้สงบก็ต้องไปปีกเว้ยๆไปอยู่ที่ไม่มีเรื่องมีราวให้คิดนั่นเองถ้าอยู่ในเรื่องที่มีเรื่องให้คิดมันจะทําใจให้สงบยากเพราะการจะทําใจให้สงบก็คือต้องหยุดคิดนั่นเองดังนั้นวิธีที่จะทําให้ความคิดน้อยลงก็คือให้ไปอยู่ในที่ที่ไม่ต้องใช้ความคิดนั่นเอง ไปเปรกยบไเวกอยู่คนเดียวไม่มีภาระกิจการงานที่จะต้องทำ ม, มีเฉพาะแต่งานที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านั้นเองก็จะสามารถที่จะเจรานสติเพื่อหยุดความคิดต่างๆได้อย่างง่ายได้แล้วพอมีสติพอนั่งสมาธิจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้เข้าสู่ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงได้พอได้สัมผัสกับความสุข ที่เหนือกว่ความสุขตั้งปวงก็จะสามารถเลิกการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เลิกหาความสุขตามอำนาจของกิเลสตัณหาได้กิเลสอยากดูอยากฟังอะไรก็หยุดได้เพราะมีความสุขในใจที่ดีกว่าอยู่แล้วความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายสู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ พนะมีความสงบมีมีความสุขมีอุเบกขามันก็จะไม่หิวโหวยกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมันก็จะหยุดกามฉันทะได้หยุดกามตัณหาได้หยุดภาวะตัณหาหยุดวิภาวะตัณหาได้ยิ่งถ้าบีปัญญาที่จะสอนให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่กามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาต้องการนั้นมันเป็นไตายรักษณ์มันเป็นอนิจจทุกขังอนัตตา ได้มาแล้วจะต้องทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากได้เหมือนพอมันเห็นว่าสิ่งที่อยากได้จะทำให้ต้องทุกข์ก็ไม่อยากได้มันก็จะหยุดกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาได้ต่อไปตัณหาทั้งสามที่มีอยู่ในใจก็จะหมดสิ้นไปเพราะมีสมถะและวิปัสสนาคอยมาคอยกาจัดนั่นเอง พอตันหาหมดแล้วใจก็สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นนิพพานขึ้นมาไม่หิวไม่โหยไม่อยากกับไปอีกต่อไปเป็นบารมังสุขขังอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายกันอีกต่อไปนี่คือผลที่เกิดจากการที่ได้ทําคันธ ท, ทุระและวิปัสสนาทุระไปพร้อมๆกันไม่ได้แยกกัน การตลาดนี้ไม่ได้ศึกษาเพื่อเอาใบประกาศการตลาดนี้ศึกษาเพื่อเอาไปปฏิบัติเพื่อให้รู้ว่าจะต้องปฏิบัติอะไรถ้าไม่ศึกษาก็จะปฏิบัติไม่ถูกต้องศึกษาก่อนแต่พอศึกษาปุ๊บก็นำอกไปปฏิบัติได้ทันทีเลยไม่ต้องรอไปสอบไม่ต้องรอไปรับประกาศใบประกาศนี่คือเรื่องของภารกิจที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้กับพุทธบยศีสัตสี คือภารกิจหรือธุรกิจ2ประการด้วยกันคือ 1. นคันธุระสองวิปั ส, สนาธุระศึกษาและปฏิบัติเมื่อศึกษาปฏิบัติแล้วการบรรลุถึงผลก็จะปรากฏตามขึ้นมามักผลนิพพานมักสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งก็จะปรากฏขึ้นมาตามลําดับอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาทําภารกิจของ พุทธบริษัทนี้ให้ท่านได้นำเอาไป พ, พิจารณาเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา <c oughs> จะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาเรวะาปุราปริปุเรนติสากหลังเอวามวะอิโตทินัางเปตานังอุปกัปติ อิชิตังปฏติธิตังตุมหังคิปเเมวะสมิจจตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยถามณิโชติอราโสยถาสพิติโยวิวัจจันตุสัพโรโขวินัสตุ มาเตภวะโตอันตระโยสุขีทีคาโยโกผวะอะิวาธนศีลิสะนิจจังวุฒาปจายโนจตตารธรรมวัฏฐานติอายุวโนสุขังภาลังวันนี้มี มีของมาแจากพวกที่มีเครื่องเสียงรุ่นใหม่ที่ใช้แฟลชไดรฟ์ถ้าอยากจะเอาฟังธรรมะบนเขาทั้งปีของปีที่แล้วนี้มีสัตธาญาตโยมบรรจุใส่ไว้ในแฟลชไดรฟ์ถ้าใครมีเครื่องก็มาขอเอาไปได้แต่ถ้าใครไม่มีก็ขออย่าเพิ่งมาเอาไว้รอมีเครื่องก่อนเพราะของมีน้อย เอาไปแล้วไม่ได้เอาไปใช้ก็จะไม่เกิดประโยชน์ขอให้จากคนที่เขาเอาไปใช้ได้ก่อนใครมีเครื่องเล่นแบบที่ใช้แฟดไดรฟ์ในรถยนต์นี้สามารถที่จะเอาไปดูได้ฟังได้ด้วยก็บอกมาเวลาเข้ามาถอยของอในแฟดไดรฟ์นี่มันจะใส่เป็นไฟล์ MP3 สม ของเทศทั้งหมดทั้งปีของปีที่แล้วปี61น่งตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31แล้วพอดีมีเนื้อที่เหลืออยู่ก็เลยใส่เป็นวิดีโอไปประมาณสัก40ไฟล์ด้วยกันนั้นก็มี2ชนิดมี MP3 ที่ใช้ฟังอย่างเดียวแล้วก็มีวิดีโอที่เปิดถ้าเป็นเครื่องที่มีจอภาพก็เปิดดูได้แต่ถ้าเป็นจอใหญ่ภาพมันจะแตกเพราะว่ามันไฟขนาดเล็ก ลองเอาไฟล์ขนาดใหญ่ใส่ไปมันเปิดไม่ได้ในรถยนตมน์มันใหญ่เกินไป ก, ก็เลยต้องลดขนาดลงให้เล่นในรถยนต์ได้แต่ถ้าไปเล่นในคอมมันจะภาพมันจะหยาบภาพมันจะไม่ชัดงั้นก็ขอให้เข้าใจไว้ว่าในทำได้นี่มีอยู่สอ ง, สองไฟล์สองชนิด MP3 กับ AVI ที่เป็นวิดีโอ เหมาะกับการใช้ในรถยนต์แต่ถ้าเอาไปฟังในโน้ตบุ๊กก็ได้หรือในคอมก็ได้แต่ถ้าจะดูภาพภาพมันจะไม่ชัดมากแต่เราธรรมะ ส, ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อยู่ที่ภาพมันอยู่ที่เสียง mm hmm. เพราะว่าสมัยนี้เดี๋ยวนี้แผ่นซีดีคนไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วสังเกตดูตอนนี้แจกซีดีรู้สึกว่ามันหยิบกันน้อยลงไป ลดลงประมาณห้าสิบเปอร์เซนตอนีมีญาติโยมคนนี้ทุกปีเขาจะทำเป็นซีดีทั้งชุดทั้งปีเป็นกล่องใหญ่ๆม า, จาแจกนะเราก็บอกว่าลองมาเปลี่ยนเป็นทำได้ดีไหมฟัดจระเพราะว่าคนไม่ค่อยใช้ซีดีกันแล้วเ้าก็เลยลองดูเอาก็เลยไปสั่งมา เราทีนี้จะวางไว้ให้หยิบเองก็กลัวไม่รู้เรื่องอย่างเมื่อวานนี้ไปตั้งวางให้หยิบคนก็เด็กก็หยิบกันไปคิดว่าเป็นวัตถุมงคลนะ <laughs> แล้วคนที่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็เห็นว่าแจากก็หยิบไปแล้วเดี๋ยวหยิบไปแล้วก็ไม่ได้ใช้เอาไปวางไว้เฉยๆก็เลยต้องมาจากแบบนี้คือต้องมาบอกให้รู้ว่าเป็นอะไรแล้วว่าเอาไปแล้วเอาไปใช้ได้หรือไม่ ถ้าเอาไปใช้ไม่ได้ก็อย่าเอาไปดีกว่าเพราะมันจะทำให้คนที่เขาใช้ได้ไม่ได้ใช้อันนี้ก็คือสาเหตุที่ทำไมถึงจะต้องมามีการสาธิตมีการมาบอกว่าเป็นของใหม่ยุคนี้เป็นยุคที่มีการพัฒนาไปเรื่อยๆก็ต้องมีการการเปลี่ยนแปลงทำตามการพัฒนาไป เมื่อก่อนก็ก่อนเริ่มต้นแสดงทําสมัยแรกๆ ก, ก็แจกคาสเซ็ตเทปเนี่ยพอคาสเซ็ตเทปหมดสมัยก็มาเป็นซีดีพอเป็นซีดีตอนนี้ซีดีเริ่มจะล้าสมัยแล้วคนเริ่มใช้น้อยลงไปก็เลยต้องมาใช้แฟลชไดรฟ์ดูงั้นท่านที่เอาไปแล้วไปใช้ดูลองถ้ามีมีปัญหาอะไรถ้ามาแจ้งให้ทราบก็ดี เพื่อที่จะได้ปรับปรุงแก้ไขต่อไปอทีนึงว่าเปิดไม่ได้หรือว่าเป็นอะไรนะมันก็จะได้แจ้งไปให้กับคนที่ก็ทำได้ขาวต่อไปเวลาทำเขาอาจจะได้แก้ไขปัญหาได้สาหรับการถามปัญหาก็ใครมีคำถามอยากจะถามในช่วงนี้ก็ถามได้จะขึ้นมาถามเองก็ได้ หรือว่าจะาส่งเป็นข้อความเข้ามาเขียนใส่กระดาษเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามเท่าไหร่ทาง f a c e b o o สามร้อยสี่สิบสี่คนครับ y o u t u หนึ่งร้อยเก้าสิบหกคนครับวิทยุออนไลน์ยี่สิบเอ็ดคนครับผู้รับฟังบนเขาเก้าสิบคนครับรวมทั้งหมดหกร้อยห้าสิบเอดคนครับอาจารย์ okay. ถ้ามีคำถามก็ถามได้เลยนะคำถามจากทางไลน์ครับอจิตพระอรหันต้องทําฌานสี่ได้สําเร็จทุกรูปหรือไม่ครับอาจารย์เอออย่าไปสนใจแล้วสนใจจิตของเราดีกว่าว่ า, ามีสติหรื อ, อยังรักษาศีลได้หรื อ, อยังจิตของพระอรหานนี่ปล่อยให้ท่านกังวลกับเรื่องจิตของท่านเถอะเรามากังวลกับจิตของเราดีกว่า พอไปรู้จิตของบ้าหลานเป็นอะไรก็ไม่ได้ทำให้จิตของเราเป็นผ้าหลานขึ้นมางั้นเราต้องมาดูจิตของเราว่ามีทานหรือยังทำทานได้หรือยังแบ่งปันได้ยั ง, ยงเสียสละได้หรือยังหรือยังเอารัดเอาเปรียบยังเห็นแก่ตัวกันอยู่ยังแย่งกันกินแย่งกันอะไรอยู่หรือเปล่าดูจิตของเราดีกว่านะดูว่ามีทานหรือยังดูว่ารักษาศีลห้าได้หรือยัง ดูว่ามีสติคอยควบคุมความคิดได้หรื อ, อยังอันนี้จะมีประโยชน์กว่าไปรู้เรื่องของพระพุทธเจ้าเรื่องของบาหลานนี้มันไม่ได้เป็นประโยชน์เหมือนนักเรียนไปถามครูอาจารย์ว่าครูอาจารย์กินอาหารอะไรมีแฟนกี่คนนีไปถามเรื่องของครูบาอาจารย์เขาทำไมเรามาเรียนหนังสือมาถามเรื่องของเราดีกว่าว่าเราเรียนกกไก่ขอไขได้หรื อ, อยังนับหนึ่งสองสามได้หรื อ, อยังอย่าไปถามเรื่องของ ของคูบาอาจารย์ให้เสียเวลาไม่เกิดประโยชน์อะไรคำถามจากทาง YouTube ค่ะคุณไพฑูรย์เพชรแก้วมีทั้งหมดสองคำถามเจ้าค่ะกราบนมสการเรียนถามพระอาจารย์ครับสินข้อสิบพิกสุตรสามเณรเว้นขาดจากการรับเงินและทองแต่พระยังรับเงินเงินที่ซื้อของ ถวายเงินให้น้อยก็แสดงความไม่พอใจอย่างนี้สมควรที่จะเคารพและทำบุญด้วยหรือไม่ครับก็แล้วแต่คุณจะพปจารจนา ว, วกันเราตัดสินใจให้คุณไม่ได้เพราะว่าคือการรับเงินทองนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ห้ามรับเพียงแต่ไม่ให้รับกับมือไม่ให้รับเก็บไว้ครอบครองให้รับแบบให้ฝากไว้กับลูกศิษย์ลูกหาคนที่ไว้ใจได้ เพื่อเวลาต้องการที่จะใช้อะไรในสิ่งที่จำเป็นจะได้ไม่ต้องไปรบกวนคนอื่นไม่ต้องไปขอเงินขอทองคนอื่นอันนี้มีไว้สำหรับกรณีที่จำเป็นแล้วการให้ก็ไม่ให้เก็บรักษาเอาไว้เองไม่ให้พกพาไปไหนมาไหนแบบคารวาดคืออยากจะซื้ออะไรก็ใสเอาเงินใส่ ย, ย่ามเดินไปตามศูนย์การค้าอย่างนี้ไม่ได้ แต่ถ้าต้องการอะไรก็บอกให้ญาติโยมลูกศิษย์ลอกหาไปช่วยจัดการหาซื้อมาให้ถ้าลูกศิษย์ลูกหาไม่มีเงินก็เอาเงินที่ได้รับจากผู้บริจาคนี้ไปใช้คำถามข้อที่สองเจ้าคะ่ะการให้ธรรมทานเป็นทานนั้นมีอนิสง์มากถ้าอยู่ในฐานะเป็นโยมจะสามารถให้ธรรมทานได้ด้วยวิธีใดบ้างครับ ไม่เป็นเหมือนพระครับก็นี่แหละก็เอาเอาเทศของพระที่ดีๆเอามาพิมพ์แจกเอามาเผยแพร่โดจากเงินสมทุปสร้างหนังสือสร้างซีดีสร้างแผดด้า e นี่ก็ก็เป็นการทาธรรมทานเหมือนกันแต่นี่ไม่ี่ไม่ได้เรียลล์นะไม่ได้บอกเพราะว่าของพวกนี้เขาเขาจัดการมาให้เรียบร้อยแล้วเราไม่เกี่ยวข้องเรื่องเรื่องเงินทองสำหรับการเผยแพร่ทำ คำถามจากทาง facebook เจ้าคะ่ะน้องกราบนมัสการพระอาจารย์หากเราทําบุญอุทิศให้แก่ผู้ล่วงลับผู้ล่วงลับจะได้รับจริงหรือไม่เจ้าคะ่ะและการทําบุญแบบใดถึงผู้ล่วงลับได้รับทันทีเจ้าคะ่ะผู้ล่วงลับนี้ก็มีหลายฐานนะไงถ้าเป็นขอทานเขาก็จะมารอรับ ถ้าเป็นเศรษฐีเขาก็ไปเที่ยวแล้วก็ไม่ต้องมาเสียเวลามารอรับเงินที่ให้กับขอทานบุญที่เราอุทิศนี้เป็นบุญส่วนย่อยส่วนน้อยบุญทั้งหมดที่เราทํานี้ไม่ได้ไปทั้งหมดไปเพียงบางส่วนเพราะไปทั้งหมดไม่ได้ธรรมชาติของบุญอุทิศนี้มันไปได้เพียงเล็กน้อยพอให้พอให้บรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้รับเท่านั้นเองอันนี้ผู้ บุญที่จะได้เร็วที่สุดก็คือเนี่ยการบริจาคข้าวของเงินทองต่างต่างทำบุญใส่บาตรทำบุญอะไรต่างๆด้วยเงินทองนี่แหละเป็นบุญที่เร็วที่สุดง่ายที่สุดสะดวกที่สุดยิงสมัยนี้มีมือถือกดได้เลยกดปุ๊บก็ได้ปั๊บเลยพอโอนเสร็จปั๊บก็อุทิศบุญได้เลยเขาออทิศบุญส่วนนี้ให้กับผู้ร่วงรับไปแล้วคนนั้นคนนี้ชื่อนั้นชื่นี้ ก็เสร็จเรียบร้อยไม่ต้องใช้น้ำน้ำไม่เกี่ยวอยู่ที่น้ำใจน้ำใจสิ่งที่เราส่งไปคือน้ำใจไม่ใช่น้ำเปล่าน้าเปล่ามันไปอยู่ที่คนต้นไม้นนต้นไม้ได้รับน้ำเปล่าแต่ผู้ที่ได้รับบุญนี้คือน้ำใจของเราพอเราทำบุญปั๊บเราก็มีน้ำใจอันดีงามปรากฏขึ้นมา เราก็ส่งน้ําใจอันดีงามนี้ความสุขที่ได้จากการทําบุญนี้ไปให้กับเขาไปคําถามจากคุณวิโรตเจ้าค่ะเรียนถามพระอาจารย์ใจกับจิตต่างกันอย่างไรครับก็สะกดไม่เหมือนกัน <laughs> ใจก็สะกดอย่างหนึ่งจิตก็สะกดอีกอย่างแต่จออาจารย์เหมือนกันเป็นผู้รู้ผู้คิดแบ่งเป็นสองฝ่ายใจเป็นผู้รู้จิตเป็นผู้คิดน เหมือนแขนซ้ายแขนขวาของคนคนเดียวกันไปด้วยกันไม่แยกออกจากกันเป็นเป็นทำหน้าที่คอาหน้าที่ใจทำหน้าที่รู้จิตเป็นทำหน้าที่คิดคำถามจากคุณฮันเตอร์ค่ะจิตที่เรามองดูจิตเขาชอบเล่นชอบสนุกเราควรตามดูหรือทำอย่างไรต่อครับ แล้วแต่ว่าเราต้องการอะไรถ้าเราชอบดูมันก็ดูไปแต่ถ้าเราต้องการให้จิตสงบให้จิตมีความสุขให้กิเลสตัณหาลดน้อยถอยลงเราก็ต้องหยุดมันให้มันหยุดด้วยสติให้ใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธห ร, รือบังคับให้มันอยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่กําลังเดินก็ให้มันอยู่กับการเดินกําลังรับประทานอาหารก็ให้มันอยู่กับการรับประทานอาหาร อยาให้มันไปคิดถึงอดีตถึงอนาคตถึงคนนั้นคนนี้ให้อยู่ในปัจจุบันให้สักแต่ว่ารู้ให้เหลือแต่ตัวให้เหลือแต่ใจให้ให้จิตหยุดคิดให้เหลือแต่ใจตัวรู้จะได้โผล่ขึ้นมาด้วยถ้ามีตัวคิดตัวคิดมันจะบังตัวรู้ไว้คำถามต่อไปเจ้าค่ะต้องทำอย่างไงาถึงจะปล่อยวางได้ในระยะยาวครับ ก็อย่าไปจับมันสิเห็นอะไรก็อย่าไปจับมันปล่อยวางปล่อยวางมันเห็นเงินก็อย่าไปจับมันเห็นแฟนก็อย่าไปจับมันเห็นอะไรก็อย่าไปจับมันมันก็ปล่อยวางได้ระยะยาวถ้าไปจับมันมันก็ไม่ปล่อยคําถามจากคุณวันเวลาค่ะอยากเรียนถามว่าไปวัดแห่งหนึ่งพระคุณเจ้าได้ประกาศให้ญาติโยม ร่วมกันสร้างพระพุทธรูปใหญ่บอกว่าผู้สร้างจะสามารถปิดประตูอาบายได้จริงหรือไม่ครับถ้าอย่างนั้นถ้าสร้างแล้วไปทำผิดจินท่าเช่นฆ่าคนเขาก็ไม่ต้องไปอาบายจริงหรือไม่ครับสงสัยจังเคยฟังว่าพระโสดาบันขึ้นไปเท่านั้นที่ปิดประตูอาบายได้ครับคือตามหลักทำคำสอนเนี่ย การจะไปอบายนี่ไปเพราะการกระทำบาปนั่นเองถ้าฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดนี้ต้องไปอบายไปรับผล บ, บาปทำบุญกี่แสนล้านก็ไม่สามารถปิดประตูบายได้เพราะบุญนี้ไม่ได้เป็นตัวที่ไปปิดประตูบายตัวที่จะปิดประตูบายคือศีลห้าเห็นให้รักษาศีลห้าส่วนบุญนี้เป็นตัวที่จะส่งให้ไปเป็น เป็นเทวดาให้ไปสวรรค์แต่ต้องต้องปิดอบายก่อนถึงจะไปสวรรค์ได้ถ้าไม่ปิดอบายทำทำแต่บุญบุญนี้ยังไม่สามารถส่งผลได้ถ้าบาปมันมีกำลังมากกว่าบุญที่เราทำถ้าบาปถ้าทำบาปมากกว่าทำบุญบาปมันจะดึงใจไปอบายก่อนแต่ถ้าบาปมันน้อยกว่า บ, บุญบุญก็จะดึงใจไปสวรรค์ได้ คำถามจากป้าหวังค่ะกาบนมาสการขอโอกาสเรียนถามเจ้าค่ะการทำบุญตักบาตรตอนที่พระบิณฑบาตจะได้จะได้บุญมากหรือน้อยกว่าเรานำอาหารไปถวายที่วัดเจ้าคะเท่ากันนะ่ะอยู่ที่ปริมาณของการเสียสละไม่ได้อยู่ที่ว่าทำแบบไหนมีเงินร้อยบาทจะทำแบบไหนก็ได้บุญแค่1้อยบาทนั่นนะ่ะ จะไปใส่บาตรจะไปใส่ตู้บริจาคจะเอาไปเลี้ยงหมาปล่อยปล่อยนกปล่อยปลาถ้าร้อยบาทมันก็ได้บุญร้อยบาทเท่านั้นะถ้าอยากจะได้มากกว่ามันก็ต้องเพิ่มเงินนั่นแหละถ้าทำสองร้อยบาทมันก็จะได้มากกว่าบุญร้อยบาทนคําถามจากคุณแมนคะ่ะเมื่ออารมณ์ใดอารมณ์อารมณ์หนึ่งดับแล้วสิ่งใดจะเกิดต่อเนื่องกัน เป็นช่วงต่อกับอารมณ์ใหม่เกิดขึ้นมาเรียกว่าอย่างไรครับหรือเป็นความสงบความว่างหรือเพียงอารมณ์ปฏิบัติเช่นนั้นเป็นธรรมชาติของการปฏิบัติหรือเปล่าครับมันเป็นธรรมชาติของใจใจเราจะมีอารมณ์ผัดเปลี่ยนเหมือนกับดินฟ้าอากาศเนี่ยใชมเามื่อานนี้ร้อนเดี๋ยววันนี้ฝนตกเย็นเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ร้อนใหม่ใจเราก็เหมือนกัน เดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนั่นละคือธรรมชาติของใจที่ยังไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมไม่ได้รับการชาระถ้าได้รับการฝึกฝนอบรมได้รับการชาระแล้วจิตใจจะไม่มีอารมณ์ต่างๆจิตใจจะว่างเหมือนท้องฟ้าที่ไม่มีไม่มีเมฆไม่มีหมอกคือใจของพระพุทธเจ้าว่าง ไมมม่ีอารณ์คำถามจากคุณสุปราณีค่ะถ้าเราอุทิศบุญให้กับผู้ล่วงลับไปแล้วแต่เราจาชื่อไม่ได้จะทำยังไงถึงจะทำให้ผู้ล่วงลับไปแล้วได้รับบุญเจ้าคะก็จำหน้าได้หรือเปล่ามันต้องจำอะไรได้ทั้งอย่างเี้ใช่หไหมถ้าเราจำไม่ได้เราจะไปเราจะไปคิดอุทิศบุญให้เขาได้ยงไง การที่เราจะคิดอุทิศบุญให้เขาเราก็ต้องรู้ว่าเนี่ยคนนี้แหละะใครรู้ในใจก็แล้วกันว่าเป็นใครก็พอรู้ชื่อเราไม่รู้ชื่อไม่เป็นไม่สําคัญขอให้รู้ว่าเป็นคนนี้แหละะในใจเราเรานึกถึงคนนี้เวลาเราอุทิศเราก็อุทิศไปให้คนนี้แหละคนที่เรานึกอยู่ในใจของเรานี่ะจําชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรขอให้จับขอให้รู้ว่าเป็นคนไหนก็แล้วกันเมื่อวานา น, านี้มีคนมาถามว่าจําผมได้หรือเปล่า จำหน้าได้แต่จำชื่อไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่รู้ว่าเคย <c oughs> เคยเห็นหน้าอย่างเงี้ยต้องมานั่งเท้าความกันเล่าวันว่าเป็นใครมาจากไหนคำถามต่อไปค่ะกราบธรรมสการครับอยากทราบว่าส่วนมากหลังๆทํางานมีเวลาวันว่างน้อยมาก การไหว้พระและนั่งสมาธิส่วนใหญ่จะทําที่บ้านไม่ค่อยมีเวลาไปที่วัดถ้าถือปฏิบัติเอาตามความสะดวกดังที่กล่าวมานี้และปฏิบัติไปแบบนี้คือผมไม่ชอบคนที่ที่คนเยอะๆครับสถานที่จะมีผลหรือไม่ครับไม่ถ้าที่ไหนคนเยอะก็ไม่ดีไม่ว่าจะที่วัดหรือที่บ้านก็ไม่ดีการปฏิบัติดีต้องอยู่คนเดียว คำถามจากคุณชรินทิพย์คะ่ะเรียนถามพระอาจารย์การเล่นเฟซคือการส่งจิตออกนอกใช่ไหมเจ้าคะรู้สึกเบื่อในการเล่นไม่อยากรับรู้เจ้าคะใช่ก็จิตต้องออกไปทางตาทางหูแล้วก็ทางนิ้วกดอยู่นั่นนะก็ดึงมันกลับมาปิดเครื่องเฟซซะปิดเครื่องโทรซะแล้วก็อย่าไปชาร์จแบตให้มัน <c oughs> ต่อไปอยากจะใช้ก็ใช้ไม่ได้เพราะแบบมันไม่มีดัดสันดานมันนม่งต่อไปคอยชาติดัดอยู่เรื่อยมันก็ใช้ได้อยู่เรื่อยคำถามจากคุณวันเวลาคะ่ะขอทราบอานิสงส์ของการสร้างพระพุทธ ร, รูปไหคะ่ะก็จะได้มีพระพุทธ ร, รูปไว้กราบไหว้จะได้มีพระพุทธ ร, รูปไว้ให้เรามาแล้วเลอกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า ของพระธรรมของพระสงฆ์างการสร้างพระพุทธรูปนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อมาป้องกันโจรขโมยไม่ให้ขึ้นบ้านป้องกันภัยต่างๆไม่ให้น้ำท่วมไม่ให้ไฟไหม้วัดไฟยังไม่โบสถ์ไฟยังไม่เพระพุทธรูปไม่ได้มีหน้าที่อย่างนั้นมีหน้าที่ไว้ให้เจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเพื่อให้เราจะได้ทำความดีกันลัก ความชั่วกันชำระใจให้สะอาดบ่อยสุดกั น, น, น ห, มหมดแล้วนะ เ, เดี๋ยวรอทักปักคนที่กำลังพิมพ์อยู่ก็จะได้ใ ช, ใช้เวลาหน่อยใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้นะที่อยู่ที่นี่ไม่คิดสตังค์อย่าถามคำถามเพราะว่าไม่มีความอยากจะถามเพียงแต่เห็นว่า ไม่มีคนถามก็เลยนึกคำถามขึ้นมา <c oughs> ขอให้ถามพ่าว่าเราสงสัยจริงๆไม่เข้าใจอะไรจริงๆ <c oughs> แล้วก็ควรจะถามคำถามที่เกี่ยวกับเรามากกว่าเกี่ยวกับคนอื่นถามคำถามว่าเราทำไมถึงยังโลภอยู่ทำไมยังโกรธอยู่ยังหลงอยู่เราจะทำไงไม่ให้เราต้องโกรธคนนั้นเกลียดคนนี้ทำอย่างไรให้จิตใจเรามีความสุขมากขึ้น ถามเรื่องราวแบบนี้จะเป็นประโยชน์กว่าที่จะไปถามเรื่องของพระอราหันต์ของพระพุทธเจ้าอของพระอะไรต่างๆยังไม่มานะถามตัวเองดีกว่าตอนนี้เราเป็นโสดาบรรันหรื อ, อยังเราเป็นสกิรดาคารมีหรื อ, อยังเราเป็นอนาค า, ามีหรื อ, อยังเราเป็นอาหารหันต์หรื อ, อยัง ถ้าเรายังไม่เป็นเรารทำยังไงถึงจะได้เป็นให้ทมอย่างนี้ดีกว่าจะเกิดประโยชน์แล้วเราจะได้ไปทำในสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำอยากจะถามว่าสหาิหรือว่าเห็นว่าไม่มีคำถามก็เลยเดี๋ยวเอาเอาไมก่อนเอาไม้ก่อนอกลับกลับกลนอาจารย์ครับเออพูด<อ>ใกล้ใ ก, ใกมากฮัลโหลครับ เขาถามเรื่องเ อ, อตอนเรานั่งภาวนาเนี่ยอาจารย์แล้วเวทนาเจ็บขาเนี่ยครับของผมที่มาทุกประมาหนึ่งชั่วโมงเป้งมาตามนัดเลยครอาจารย์ เ, เราก็พยายามจะจะอดทนนะครอาจารย์ อ, อ ส, ต, สติมันหมดกําลังถ้าอยากจะนั่งต่อไปได้ต้องเพิ่มสติต่อสติต่ออายุสติคือตอนนั้นต้องนั่งเฉยๆไม่ได้แล้วต้องพุโทโธพุโทโธพุโทพโธไปสวดมนต์ไป เพื er ่ดึงใจไม่ให้ไปคิดถึงความเจ็บแล้วความอยากให้ความเจ็บหายไปมันจะได้หยุดทํางานเพราะความทรมานมันเกิดจากความอยากให้ความเจ็บมันหายไปเราต้องไม่ไปสนใจมันมันจะเจ็บป่อยมันเจ็บเราพุทโธไปนะพุทโธไม่ได้ก็สวดยาวๆไปก็ได้พุทธังธรรมังสังคังเทนะงกระฉามิอะไรไปอิติปิโสภะกวาไปพอใจมีอะไรทําแล้วมันก็จะไม่ไปกังวลไม่ไปอยากให้ความเจ็บหายไป มันก็จะนั่งต่อไปได้แล้วมันก็จะผ่านทุกเวทนาได้ในระดับนั้นแต่ถ้าจังหวะนั้นเกิดขึ้นนะอาจารย์เราสามารถจะขยับตัวได้บ้างไหมครับได้แต่มันก็เหมือนกับกลับไปเริ่มต้นใหม่ถ้าเราไม่ต้องการเริ่มต้นใหม่เราเราต้องการปล่อยวางร่างกายปล่อยให้มันเจ็บไปตามธรรมชาติของมันเพราะต่อไปร่างกายเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะขยับยังไงมันก็ไม่หายเจ็บ เราก็ต้องใช้พุโทโธใช้สติเท่านั้นที่จะช่วยเราได้ดังนั้นเราต้องฝึกตอนตอนที่มันยังไม่เป็นจริงตอนที่เรานั่งแล้วเราขยับได้มันยังมันยังไม่เป็นความเจ็บจริงแต่ถ้าเราไปขยับเราก็ไปทำให้ข้อสอบของเราหายไปเราก็ต้องรอให้มันเจ็บใหม่ถึงจะทำข้อสอบได้ครับดงนั้นถ้าเรามีข้อสอบแล้วเราควรจะทำข้อสอบด้วยการทาให้ใจเราปล่อยวางความเจ็บ โดยการใช้สติในขั้นแรกให้ดึงให้เพิ่มสติด้วยการสวดมนต์ด้วยการบริกรรมพุทโธไปเพื่อไม่ให้ใจไปคิดถึงความเจ็บแล้วต่อไปถักระยะหนึ่งไม่นานความเจ็บมันก็จะไม่มารบกวนใจมันยังอยู่แต่มันไม่รบกวนใจใจเราเป็นอุเบกขาขึ้นมาจากสติตอนนี้เรานั่งได้ชั่วโมงว่าตอนนั้นใจเรามีอุเบกขาครับพอมันเริ่มเจ็บอุเบกขาเราหมด มันก็เลยรู้สึกอุดอัดรู้สึกอยากจะลุกขึ้นมาครับตอนนั้นเราก็ต้องหยุดมันเพิ่มเพิ่มอุเบกขาขึ้นมาด้วยการเพิ่มสติพุทโธพุทโธต่อไปหรือดูลมหายใจต่ออ่ดูดูลมก็ได้หรือสวดก็ได้แล้วแต่แบบไหนที่เราทำได้ก็เอาแบบนั้นครั บ, รบแล้วถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาแบบราบคาบต่อไปพอเราผ่านเรามีอุเบกขาจากที่เราผ่านขั้น ด้วยาผ่านเวทนาด้วยสติได้ต่อไปเราก็จะมาหัดใช้วิปัสสนาผ่านผ่านเวทนาพิจารณาเวทนาว่ามันเป็นไตายรักเป็นอนิจจทุกขังอนัตตารเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้นะมันเหมือนดินฟ้าอากาศเราจะไปบังคับฝนฟ้าอากาศให้เป็นไปตามความต้องการของเราไม่ได้สิ่งที่เราทำได้ก็คือต้องทำใจรับมันไป ว่าฝนตกเราก็อยอมรับฝนตกแดดออกก็ยอมรับว่าฝนแดดออกถ้าเราไม่มีความอยากไปให้มันเป็นตามความอยากของเราเราก็จะไม่ทุกข์ใจต่อไปเราก็จะไม่กลัวความเจ็บเพราะเรารู้ว่าเราทำอะไรไม่ได้นอกจากทำใจอย่างเดียวพอเราทำใจได้แล้วความเจ็บก็จะไม่มาลบกวนใจเรามันเจ็บแต่มันไม่มาทำให้เราทรมานใจเพราะใจเราไม่ฝืนนะไม่ไม่อยากให้มันหายอันนี้ก็จะหายแบบ ชาวอนต่อไปร่างกายเจ็บก็จะรู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อนกับความเจ็บอันนี้วิปัสสนาครับอือขั้นตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของขั น, ขนติด้วยใช่ไหมครัอาจารย์ขันติก็เป็นตัวสนับสนุนไงถ้าเราไม่มีขันติพอเจ็บหน่อยเราก็ทนไม่ไหวก็จะขยับอย่างคิดจะขยับเนี่ยเรียกว่าไม่มีขันติแล้วถ้ามีขันติก็ต้องไม่ขยับครั บ, อ, รบอดทน แล้วก็ถ้าสมมติเราเราใช้อุบายในการตั้งสัจจะไปด้วยอาจาย์เช่นก็ได้ถ้าเรามีพลังทางสัจจะก็ตั้งมันแต่ถ้าไม่มีพลังต <uk Natürlich. amb osion> <pad> ั้งมันเดี๋ยวก็ล้มได้ก็ดูที่ว่าเรามีนิสัยมีพลังทางสัจจะหรือเปล่าถ้าเราตั้งสัจจะแล้วเรายอมตายได้อย่างี้มันก็มันก็เป็นพลังที่จะทำให้เราสู้ได้แต่ถ้าเราเป็นคนตั้งแล้วแพ้ตั้งแล้วล้มตั้งแล้วล้มอยู่เรื่อยก็อย่าไปตั้งให้มันเหนื่อย สาธุครับอาจารย์ท่านนี้เขาจะถามเรือเ่องแบบนี้ถามจะถามเลยสาธุค่ะพระอาจารย์เออหนูอยากขอถามพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์ไขข้อสงสัยให้หนูอะค่ะอริยะสัตสีข้อสมุทัยกับนิโรธนะคะ่ะสมุทัยก็แปลว่าต้นเหตุของความทุกข์ไงต้นเหตุของเสียงะระกคังมาจากอะไรนะ จากการตีะระฆังเนี่ยถ้าไม่ตีะระฆังเสียงมันก็ไม่ดังเนะีต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากพออยากอะไรปั๊บใจก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นเราก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เรก็อย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็จะเกิดนิโรธขึ้นมาความทุกข์ก็จะดับไปนิโรธก็คือการ การหายของความทุกข์หายทุกข์เรียกวันนิโรธจะหายทุกข์ได้ก็ต้องหยุดความอยากอย่าไปอยากให้ก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ที่ทุกข์เพราะอยากให้ก็เป็นอยากให้ก็เป็นกล้วยแต่ก็เป็นส้มก็เลยทุกข์แต่พอเรารู้ด้วยความจริงว่าเขาเป็นกล้วยก็เป็นส้มไม่ได้เราก็หยุดความอยากให้ก็เป็นเป็นกล้วยแล้วเป็นส้มจับไม่ได้นะ ก็อย่าไปอยากให้เขาเป็นอะไรให้เขาเป็นตามความเป็นจริงของเขาแล้วเราก็จะไม่ทุกข์พะเราหยุดความอยากคือสมุทัยได้พอหยุดสมุทัยได้นิโรจก็เกิดขึ้นมานิโรจนี่คือทุกข์หายไปการหายทุกข์เรียกว่า น, นิโรหรือดับทุกข์ทุกข์ดับเหมือนไฟเนี่ยเวลาเราจะดับไฟเราทำอะไรเราไปปิดที่สวิตช์ใช่ไหมสวิตช์มันเป็นเหตุไปเปิดมันไปไปไ ป, ไปอยู่ตัวที่เปิดมันก็ไฟก็เกิด ถ้าอยากจะให้ไฟดับแล้วก็เอาดึงสวิตช์ลงจากจากเปิดให้มันมาปิดก็เหมือนกันทุกเกิดเพราะสมุทยัยคือความอยากาทุกหายไปเพราะความอยากหยุดไปหยุดความอยากความทุกข์ก็หายไปก็เรียกวันนี้โรดเท่านั้นเองคำวันนี้โรดก็คือหายทุกขาา์คำถามจากคุณวั น, นภาค่ะ กราบนมัสการพระอาจารย์เวลาเรานั่งสมาธิจิตเราสามารถสัมผัสกับคนที่รักได้หรือเปล่าคะไม่ได้หรอกนั่งสมาธิเพื่อดึงจิตออกจากคนที่เรารักมาไดนเพื่อจะไปหาคนที่เรารักไม่ใช่เดี๋นั่งสมาธิเพื่อให้ใจเขาข้างในให้เข้าสู่ความสงบถ้าอยากจะสัมบัติกับคนที่เรารักก็ไปหาเขาสิถ้าเขามีเบอร์ก็โทรหาเขาไลน์ไปหาเขาวีดีโอไปหาเขา อย่ามาใช้สมาธิสมาธิไปไม่ได้ต้องใช้ลายคำถามจากคุณลิตาค่ะการบวชจาเป็นต้องขอขมาพ่อแม่และคนอื่นๆที่เราเคยล่วงเกินหรือไม่ขอขมาแค่พ่อแม่ได้หรือไม่คะแล้วแต่คณว่ามันจำเป็นหรือไม่นะถ้าคุณว่าจำเป็นคุณก็ต้องขอถ้าคุณว่าไม่จำเป็นคุณก็ไม่ต้องขอ กาที่เราบวชเราไม่ได้ไปขอใครเลยไม่บอกใครด้วยอว่ามาขอเราพระเจ้าเวลาบวชก็เหมือนไปขอใครนะมันเหมนไปไม่เหมือนไปบอกใครนะเราบอกไปขอมันเรื่องมากใช่ไหมต้องเตรียมขอเครื่องขอเข้ามาไปต้องเตรียมดอกไม้ทูบเตียงต้องไปนัดเวลาเขาเ้วยว่าเขาว่างหรือเปล่าอยู่หรือเปล่าไปยุ่งยากกับมันทําไม เราขอในใจเราก็ละ ก, กันขอภัยกับทุกคนขอในใจเราจบไม่มีเวรมีกรรมกับใครส่วนใครก็จะมีเวรมีกรรมกับเราเราก็ห้ามขอไม่ได้คำถามจากคุณนันทิดาค่ะทำไมพระโสดาบันไม่เชื่อโชคลางคะเพราะโชคลางมันเป็นของตลอมนั่นเองมันไม่เกี่ยวมันไม่เป็นความจริงเป็นของสมมุติเราคิดกันขึ้นมาเองเท่านั้นเอง เชื่อกรรมเพราะกรรมเป็นของจริงพระสวสดาบาล น, นี่เชื่อกฎแห่งกรรมยังไม่กล้าทำบาปเพราะทำบาปแล้วจะทุกข์จะต้องไปอบายคาถามจากคุณจุลาพรค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์เทวดาชอบเสียงสดมนจริงไหมคะและตามคุ้มครองเราได้ไหมเจ้าคะไม่จริงหรอกเทวดาบางคนก็ชอบเสียงเพลง เทวดาก็เหมือนคนเราที่อยู่ในโลกนี้เนี่ยมีพวกชอบสวดมนต์ก็มีชอบเที่ยวก็มีชอบดูหนังฟังเพลงก็มีมันก็จะติดไปกับใจของคนเหล่านั้นเขาทำบุญเขาก็เลยได้ไปเป็นเทวดาถ้าเขาเป็นคนชอบฟังฟังธรรมเขาก็จะไปหาธรรมะฝังพวกเทวดาที่ชอบฟังธรรมก็จะคอยดูว่ามีพระอรหันต์มีพระพุทธเจ้าสอนธรรมที่ไหนหรือเปล่าพอรู้เขาก็จะไปไปฟังธรรมกัน พวกที่ชอบเที่ยวเขาก็จะไปหาที่เที่ยวกันะงั้นมันอยู่ที่เจลินิสัยของจิตของแต่ละดวงที่ไปเป็นเทวดาคําถามจากคุณแก้วค่ะขอถามพระอาจารย์ทำไมอยากรวยและอยากทําบุญมากค่ะแบบนี้เป็นกิเลสไหมเจ้าค่ะอยากรวยจะเป็นกิเลสแน่ๆแต่อยากทําบุญนี้ก็อยู่ที่ว่าทําเพื่ออะไร ทำเพื่อรวยก็เป็นกิเลสเองเช่นวันนี้หวยออกแล้วเช้าใส่บาทนะเมื่อตอนบ่ายขอให้ถูกหวยถ้าทําบุญแบบนนี้ก็เป็นกิเลสเหมือนกันถ้าทําบุญเพื่อเพื่อจะได้ละ ก, กิเลสเนี่ยถึงจะเรียกว่าไม่เป็นกิเลสทําบุญว่าจะเอาเงินไปเที่ยวก็ เ, เอาเงินไปเที่ยวนี่มาทําบุญนะดัดสันดานกิเลสซะหน่อยนะมึงชอบมาบังคับให้กูไปเที่ยวอยู่เรื่อยทีนี้กูจะไม่ให้มึงเที่ยวแล้ว โจอางเงินที่ให้มึงไปเที่ยวนี่ไปทําบุญให้หมดต่อไปมันจะได้ไม่เที่ยวคําถามจากคุณโบค่ะหากกรรมส่งผลมีวิธีการอย่างไรให้กรรมนั้นส่งผลเบาบางลงเจ้าคะก็เวลาทําให้มันทําน้อยๆสิทําเบาๆ เ, เวลาส่งผลมันก็จะส่งเบาเหมือนตีะระฆังเลยนะถ้าตีค่อยๆมันก็ดังค่อยๆ ถ้าตงมัก็คำถามจากคุณนุ้ยค่ะขณะนั่งภาวนามีภาพตัวเองเสียชีวิตควรทำอย่างไรต่อครับถ้าจิตยังไม่สงบในเบื้องต้นอยากเพิ่งไปสนใจให้อยู่กับพุทโธอยู่กับลมไปต่ออย่าไปสนใจกับภาพอะไรต่างๆที่ปรากฏขึ้นให้ทำจิตให้สงบให้ได้ก่อน พอเราชํานาญการเข้าสมาธิทําจิตให้สงบได้ต่อไปเวลานั่งสมาธิเห็นภาพอะไรถ้าเร า, เามาทําเป็นวิปัสสนาได้ก็เอามาทําเช่นถ้าเห็นร่างกายเราตายนี้เราสามารถเอามาเจริญวิปัสสนาได้พิจารณาความตายของร่างกายเราได้อันนี้ก็เอามาพิจารณาต่อเอามาพิจารณาอยู่ได้เลยว่าสักวันหนึ่งไงร่างกายอันนี้มึงจะต้องตายอย่างที่เห็นในสมาธินั่นแจนกระทั่งมันไม่กลัวความตาย มันพร้อมที่จะตายทุกเวลาเพราะมันรู้นี่คือความจริงที่จะต้องเกิดขึ้นเอาสมบำถามสุดท้ายแล้วนะคำถามสุดท้ายเจ้าค่ะจากผู้ประสงค์ไม่ออกนามกราบนรมาส ก, การพระอาจารย์คนที่มีแฟนคองเรือนสามารถเป็นโสดาบานสกิทาคามีได้ไหมครับได้ถ้ามีธรรมะที่จะทาให้บรรลุได้การมีแฟนยังไม่เป็นอุปสรรคต่อการเป็นพระ โสดาบันเป็นพระสกิดาคามีแต่ถ้าจะเป็นพระอนาคาเมนี้ต้องไม่มีแฟนแล้วต้องเบื่อแฟนนะต้องไปบวชต้องถือศีลแปดแ ล, ล้วเพราะเห็นเป็นอสุภะอางนี้แต่พระสกิดาคามีนี้ยังยังไปไม่ถึงขั้นนั้นยังเบื่อๆอยากๆอยู่ส่วนพระโสดาบันนี่ยังอยากตลอดเวลา ย, ยังไม่มีคาว่าเบื่อ